ใจที่มันสกปรกมัวหมองอยู่นี่เนี่ยมันสกปรกมัวหมองมาแต่หลายชาติหลายภบแล้วที่ลงแล้วมามันมีกิเลสหุ่มหอ่อกิเลสนี่เป็นของมัวหมองเมื่อมาสถิตอยู่ที่ดวงจิต ด, ดวงนี้ก็ทำให้จิตตรงนี้มัวหมองเข้าไป ดังนั้นจึงเป็นนาทีของเราทุกคนจะพึงกำจัดกิเลสนี้ออกไปจากจิตใจให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วจิตนี้ก็จะมัวหมองอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อจิตมัวหมองอยู่ก็ไม่มีความสุขนี่แต่ความทุกข์คนเราจะเป็นทุกข์ก็เพราะจิตมัวหมองนั่นแหละ จะเป็นสุขก็เพราะจิตผ่องใสมันกรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปปล่อยให้จิตของตนมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสต่างๆต้องทำความยินดีในบุญในคุณให้มากชื่นชมยินดีในกุศลสัมมาปฏิบัติ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 พระองค์พระองค์ก็นึกถึงพระบรมีธรรมที่พระองค์ได้ทรงกระทาบาเพ็ญมาแต่อนเนกชาติถ้าหากว่ามีจริงแล้วขอขอให้ขจัดปัดเป่ามารคือกิเลสต่างๆเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปจากพระคันทรัดาลของพระองค์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 อยู่ทู่ก็เชิญหน้ากับพระศ า, าสดาไม่ได้เลยะนะมารคือกิเลสจึงได้พ่ายแพ้ต่อพระบารมีธรรมของพระองค์พระองค์จึงได้มีพระทัยหนักแน่นพระองค์จึงได้กายยววิเวกความสั่งัดกายจิตตะวิเวกสั่งัดจิตได้เจริญ สมถะให้บรรลุถึงรูปฌานสี่อารประฌานสี่นั่นแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อวะนี้เมื่อเจริญวิปัสสนาต่อโดยมองเห็นสังขาร น, นามรูปนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงอย่างไรแล้ว องค์ก็ได้ตัดรู้ในยานที่หนึ่งในปฐมยานในปฐมยามเรียกว่าบุพเทนิวาสานุสติยานปรีชาอย่างรู้ระลึกชาติถนหลังได้นับตั้งแต่ชาติที่มาเกิดเป็นพระจิตถทะราชกุ ม, มารถอยหลังคืนไปโดยลำดับ ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติไปก็ทรงรู้ป่าธนาอยากจะรู้ไปเท่าไรก็ทรงรู้ไปเท่านั้นไม่ขัดข้องเลยพเพราะว่าพระองค์ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารเพื่อสร้างพระบารมีให้เต็มเนี่ยพันานานับชาติไม่ทวนเลยดังนั้น เ <c oughs> พราะองค์เจ้าจึงทรงเห็นแจ้งในชีวิตความเป็นมาของพระองค์ว่าแต่อดีตชาตินนได้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ทรงรู้แจ้งสิ้นสงสัยในความเกิดของพระองค์นั่นตอนมัสสิเมยามเที่ยงคืนก็ได้ตัดสรูปุก ตูปปาจยานปรีชายอย่างรู้ความเกิดและความตายความสุขหรือความทุกข์ของสัตว์ทางหลายว่าสัตว์ทางหลายจะได้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้ก็เพราะอาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทาเอาไว้ในชาติหนึ่งหนึ่ง ไม่ยอมละกรรมชั่วแล้วไม่ยอมสะสมกรรมดีใส่ตนโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วนี่มันจึงน่วงเนียวรวงกิจที่ให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้สเสวยสุขบ้างสเสวยทุกข์บ้างไปเรื่อยเฟยไปอย่างนี้เหลยไม่ใช่เทวดาอินพรหมที่ไหน หยิบยกเอาความสุขความทุกข์มาให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้หามีได้มันเกิดจากกรรมคือการกระทำของแต่และบุคคลต่างหากอนบุคคลที่จะพ้นจากความเกิดเป็นต้นเหล่านี้ไปได้ก็พ้อมาละ ก, กรรมชั่วให้หมดสิ้นไปแล้วสั่งสมกรรมดีให้จนเต็มบริบูรณ์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 เพียรละกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจให้ได้ทีเดียวเลยจะไปหล่อเลี้ยงความชั่วไว้ทาไมลนะ่ะพรรู้แล้วว่าความชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุก์อย่างนี้นะแล้วก็รู้แล้วว่ากรรมดีอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทาโดยแท้จริงเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็เลือกทำแต่กรรมดีเท่านั้นแหะคนเรา คำชั่วมันกเวนสำหรับผู้มีปัญญานะผู้ไม่มีปัญญามันก็จนมุมอย่างว่านะั่นแหละจนกรอกทำอย่างไรได้พระพระเจ้ทาทรงบัญญัติธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นก็จริงอยู่เราก็เห็นด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถจะทำตามได้เพราะว่าเกี่ยวกันเกี่ยวก่การธรรมมาหาเรีอยงชีพ เลี้ยงครอบครัวตัวเรือนถ้าไม่ทำก็ไม่ได้กินมันก็ต้องบาปบ้างบุญบ้างเป็นธรรมดาไปอย่างนั้นแหละนี่คนส่วนมากมันก็ลงเอยตรงนี้เองเลยเดังนั้นเลยจึงไม่ใส่ใจว่าจะพยายามละบาปออกจากจิตใจของตนให้หมดไม่พยายามแล้วส่วนมาก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 พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงบำเพ็ญบารมีมามากต่อมากลัวว่ า, วาพราะองค์จะทําอาสวะกิเลสทายหมดสิ้นไปได้นี่นหะแม้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีเช่นเดียวกับพระองค์นั่นแนหะตแต่ว่าไม่ก่วงขวางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละตามภูมิของภาษาโลกนั่นแหละ เมื่อสร้างบุญบา ร, รมีเป็นภูมิภาษาวกนี่ก็ไม่นานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเพียงแสนกลับก็เต็มบริบูรณ์นะสำหรับผู้สร้างนะผู้ไม่คิดจะสร้างบา ร, รมีแล้วแม้แต่หลายแสนกลับก็ไม่เต็มนะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วอยู่เฉยๆ เ, เรื่อยๆไปล้วบา ร, รมีมันแก่ไปเองอย่างนี้ไม่ใช่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 ถ้าได้ปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินั่นแล้วชีวิตมันจะล้อยหอลอลงมันจะแตกดับทําลายไปอย่างนี้ก็ให้มันแตกไปไม่ต้องกลัวเพรไหนไหนมันก็จะตายอยู่เหมือนกันนี่คนผู้ปฏิบัติตามคําสอนจะเจ้าก็ตายคนผู้ไม่ปฏิบัติตามคําสอนก็ตายเหมือนกัน กสู้ที่เราปฏิบัติตามคำสอนแล้วตายไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อใดปฏิบัติตามคำสอนก็มิเจ้าตั้งความสัตย์ความจริงลงเวลาละบาปประทำออกจากกายวาจาใจเลยไม่ ส, สมมน ะ, มยายามะม ส, สมมันไว้อย่างนี้นะแล้วฝ่ายหนึ่งไม่ได้พยายามละอย่างนี้มิได้สะสมมันไว้างนี้เมื่อตายลงมันก็ไปคนละทางกันบันนี้ <c oughs> ผู้ไม่สะสมบาปสะสมแต่บุญกุศลถ้ายังไม่ถึงบรณฑิพานก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้หลยผู้ไม่ได้สั่งสมบุญทําแต่บาปหรือว่าทําบุญกระทำนิดนิ ด, น, ดน้อยอย่างนี้มันไม่มีกําลังพอที่จะขจัดบาปอกุศลได้ทําบาปมากกว่าบุญอย่างนี้ตายแล้วมันก็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 ข้อที่ว่าสัพปาปัสสะกระนังความไม่กระทําความชั่วทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปดาความให้กุศลถึงพร้อมสักิตะปริโยดปานังการชำระจิตเี้เศร้าหมองให้พองใสเอตังมุทาพนะสาสนัง ข้อนี้เป็นคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายดังนี้นี่เรามาปฏิบัติตามคําสอนโดยย่ออย่างนี้แล้วก็นับว่าไม่ผิดทางเลยที่พระองค์เจ้าทรงสอนได้ละความชั่วเพราะว่าความชั่วมันให้ผลเป็นทุกข์ดังกล่าวมานั้น ทงสงสารสันโลกไม่ต้องการที่จะให้สันโลกทั้งหลายได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่ในวัตาสงสารอันนี้ไม่มีที่จบที่สิ้นลงเลยอย่างนี้นะ<อ>จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเพียรพยายามละ ก, กำชั่วออกจากกายวาจาใจทั้งตนให้ได้<อ>เมื่อต้องการความสุขนะ่ะ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 ให้พึงพากันเข้าใจันบุคคลผู้ไม่บีามเพงบุญกุศ ล, ลจะมากำหนดกำหนดละความชั่วเอาดืด้อนี่ไม่มีทางหรอกมันจะละได้ละไม่ได้อย่างเช่นบุคคลนะมีความสนีเหนียวแน่นเป็นนิสัยติดตามตนมาแต่อเนกขชาติอย่างนี้นะ แล้วมาชาตินี้ตนไม่ได้ยินดีในการให้การบริจาคทานเลยเน่อจะมากําหนดละความตณีออกจากหัวใจอย่างนี้มันละไม่ได้เมื่อละความตณีออกไปจากิตใจก็ต้องให้ทานไปพร้อมกันอย่างนั้นมันจึงถูกต้องอความตณีเหนิยวแน่นต่างๆมันก็จึงจะหมดไป ถ้าบุคคลอมมาจเจริญเมตตาจิตให้เกิดมีขึ้นในตนอย่างนี้นะมันก็จึงจะขจัดความโกรธนั้นให้เบาวางออกไปจา ก, กจิตใจได้ถ้าไม่จเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วจะมาข่มใจละความโกรธนี้ให้มั น, มนเบาวางไปอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เลยออื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 อ้คิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าลำเอียงลำเอียงเพราะความชอบกันลำเอียงเพราะความกโกรธกันเปนอย่างนั้นดังนั้นการเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันดังกล่าวมานี่เสมอเสมอไปมันจึงเป็นการบั่นทอนความกโกรธความยาิบาท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 ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้แล้วจะไม่แก่เจ็บตายไม่มีนั่นนะก็มีความรู้สึกต่อสัรว์สัทั้งหลายอย่างนี้แล้วมันจึงไม่โมโหโทโสให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้จะโกรธไปทำไมอ่ะเพราะรูปกายนี้มันไม่ใช่ยั่งยืนอยู่ตลอด ดินฟ้าสลายลงไปหามิได้หมดเหตุปัจจัยเม่แนละ้วมันก็แตกทำลายลงสู่พื้นดินนี้เท่านั้นเองไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปผูกโกรธไว้ในใจนเมื่อจเจริญเมตตากรุณาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็เบาบางไปเองเลย แต่ว่ามันจะขาดได้ก็ต่อเมื่อเจริญวิปัสนาปัญญาให้เกิดมีขึ้นเท่านั้นแหละบรรดาสักกิเลสทั้งหลายนั่นนะแต่ถ้ายังไม่ได้เจริญวิปัสนาปัญญาแล้วมันก็ได้แค่เพียงแค่ว่าอาศัยสมาธิมันไปคมกิเลสให้หมูอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองพอสมา ธ, ธิถอน มันก็เกิดขึ้นมาตามหลังอีกแล้วด้วยเหตุนั้นเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปได้แล้วก็จงเจริญวิปัสนาปัญญาต่ออย่าอย่าปล่อยให้จิตมันถอนออกมาแล้วก็ปล่อยให้จิตมันเล่รล่อนไปในอารมณ์ต่างๆไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างนี้ มันก็คล้ายๆกับว่ามันกลับสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นมาอีกเป็นอย่างนั้นเมื่ออาศัยอํานาจสมาธินั้นข่มกิเลสนี้ให้อ่อนกําลังลงแล้วต่อจากนั้นไปก็เจริญปัญญาอทําลายกิเลสที่มันกําลังอ่อนอยู่แล้วนั้นให้มันระ ง, งับดับไปจา ก, ก จ, จิตใจ นี่ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่นั่นนะบำเพ็ญศีล ร, รักษาศีลให้บริสุทธิ์มันก็ตัดทอนกำลังของกิเลสให้เบาลงไปส่วนหนึ่งพอมาเจริญสมาธิเข้าอย่างนี้มันก็เป็นการบั่นทอน กิเลสให้เบาลงไปอีกกว่านั้นถ้า ต, ต่อเมื่อมาเจริญปัญญาเข้าบาหนิมันก็ยิ่งเป็นการทำลายกิเลสให้น้อยลงไปโดยลำดับตอนจะมาถอนรากของกิเลสออกได้นี่ก็อาศัยอำนาจแห่งปัญญานี้เองบะนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งพากันพยายาม จเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในจิตสันดาขนของตนของตนด้วยการจเจริญสมาธิภาวนานี่แหละทำใจให้สงบระ ง, งับให้ได้อย่าไปติดอยู่แต่แค่ความสงบเท่านั้นให้พึงพยายาม อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นการอบรมปัญญาในทีน่นี้เราก็วิจารณ์อยู่ในสมาธินั่นแหละจิตสงบอยู่ที่ไหนก็พิจารณาอยู่ที่นั่นแหละอย่าสงใจไปทางอื่นเรากำหนดพิจารณาอยู่ที่นั้นคล้ายๆกับว่าสมาธินั่นน่ะ เป็นเหมือนอย่างแผนที่ของประเทศไทยอย่างนี้นะบุคคลผู้ที่จะต้องการอยากจะรู้เรื่องราวของเมืองไทยหรือว่ารู้อนณาเขตของเมืองไทยว่ามีกว้างแคบขนาดไหนแล้วมีหมู่บ้านมีอำเภอมีตำบล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 เรานั่งดูแผนที่อยู่ที่เดียวนันก็รู้ได้เลยว่าเช่นจังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้นะมันอยู่ทิศไหนของกรุงเทพเมืองหลวงอ่ะเราเมืองหลวงเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็รู้ได้แล้วว่าจังหวัดเชียงใหม่มันอยู่ภาค พ, พายัพอยู่ทิศพายับของกรุงเทพ นี่มันก็รู้ได้อย่างนี้แหละแม้จังหวอื่นๆก็เหมือนกันแผนที่จะที่บอกไว้หมดเลยอันนี้น่ะชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปแล้วมันก็ไอเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษ ตลอถึงอริยสัจจะทำเรื่งสี่มันก็ปรากฏอยู่ในความสงบนั่นแหละบันนี้พอเรานึกอยากจะพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องบาปนี่บาปมันก็โผล่ขึ้นมาจา ก, กจิตใจที่สงบอยู่นั่นแหละอยากรู้เรื่องบุญบุญนี้เป็นยังไงอย่างนี้ความรู้เรื่องบุญมันก็โผล่ขึ้นมาจา ก, กจิตที่สงบอยู่นั้น นั่นแะมันก็แสดงออกให้จิตได้รู้ได้เห็นว่าลักษณะของบุญกุศลเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วประกอบกับได้ยินได้ฟังมาด้วยดูตำหลับตำรามาด้วยนี่นี่มันก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องลักษณะอาการของบุญน่ะดังที่แสดงให้ฟังมาแล้วโดยลาดับนั้นแหละ ตนจะพ้นจากทุกได้ก็เพอามีปัญญานี่เองเนี่ยถ้าขาดปัญญาแล้วเอาตัวรอดจากทุกไม่ได้เลยแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็เอาตัวรอดจากทุกขไม่ได้อย่าว่าแต่อนาคตเลยเมื่อขาดปัญญาแล้วมันไม่มีอุบายแอบคายในใจที่จะมาสอนใจ ใชละความยึดความถือกิเลสป่าประธรรมต่ า, างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นไนงะจิตอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอมาอ้างอิงแล้วมันไม่เชื่อมันไม่ลงนะหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญญานี่มันจะต้องชี้แจงเหตุผลต่างๆให้จิตได้เห็นแจ้ง ให้เรียวกว่ายอมจำนวนต่อเหตุผลให้ได้ถ้ามันจิตนี่ยังไม่ยอมจำนวนต่อเหตุผลแล้วมันจะไม่เชื่อแล้วมันจะไม่ยอมละกิเลสด้าน น, นั้นเลยอย่างยกตัวอย่างเส้นฆ่าสัตว์อย่างนี้นะบางคนยังมาออกความคิดความเห็นว่า ไอ้ฆ่าสัตว์นี่ถ้าฆ่าไปเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้นะถ้าฆ่าให้มันตายเจ็บเป่าๆอย่างนี้เป็นบาปเห็นไปอย่างนั้นก็มีเช่นฆ่าสัตว์ที่ไม่เป็นอาหารอะไรมนี่นะมันเป็นบาปบนว่า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 มันก็ยอมให้มนุษย์จับเอามาต้มมาแกงกินดีๆนี่แหละลองคิดดูเป็นอย่างนั้นนะแม้เรื่องเงินอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้แหละอันนี้ยกมาแสดงเป็นอุทาหรณ์สักเรื่องหนึ่งอันสำหรับผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพอคิดได้อ่านออกแม้คามชวนอื่นที่ภ า, าษาสดาทรงบรรยท่ามไหว้หมู่นั้นนะ มันก็มีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเสร็จเลยเหตุผลก็คือหมายความว่าอย่างการลักการขโมยหมูนี้นะที่ทรงห้ามไม่ให้ลักไม่ให้ขโมยของกันอะรกันนะเพราะว่าต่างคนต่างก็หวงแหนในทรัพสมบัติของตนซึ่งเสวงหามาได้ด้วยความยากลำบากเต็มทีแล้วอย่างนี้ยัง จะมีคนมาหยิบฉวยเอาไปง่ายเนี่ยใครจะไม่ห่วงเห็นล่ะอย่างนี้แหละเพราะการกระทำเช่นนั้นมันก็ก่อให้เจ้าของทรัพย์นั่นเป็นทุกข์เดือดร้อนอ ม, มันจึงเป็นกรรมเป็นเวรนั่นแหละพระศ า, าสดาจึงได้ทรงบัญญัติห้ามก็มสมบัติของใครใครก็ห่วงแม่สมบัติของตนตนก็ห่วง ถ้ามีคนคนอื่นมาแย่งจริงมาหยิบสวยเอาตนก็เสียใจถ้ามีโอกาสจะได้ต่อสู้ก็ต่อสู้กันไปไม่ยอมให้เอาไปง่ายง่ายบางรายก็ถึงกับว่าถูกฆ่าตายเจ้าของทรัพย์ก็เลยยอมตายเพราะความห่วงเหนทรัพย์สมบัตินั่นแหละลองคิดดูถ้าคิดได้อย่างนี้แล้ว คิดเปรียบเทียบเผากับเราได้อย่างว่านี่นะมันก็ไม่เบียดเบียนชีวิตของกันและกันเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันเบียดเบียนสามีและภรรยาของกันและกันในทางชู้สาวนี่มันก็ไม่เบียดเบียนกันทางวาจาเช่นพูดโกหกหกล้มหลอลวงให้เขาเสียทรัพย์เสียสินอะไรพวกนี้นะมันก็ไม่ทํำเละ เพราะว่ามันเป็นกรรมเวรๆตามสนองกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเมื่อการดื่มของมืนเมาให้โทษต่งางๆก็เหมือนกันนะมันเป็นการเวดเวียนทั้งตนและทั้งผู้อื่นด้วยพรกะคนเรานะีทำเมามาแล้ว มันมันไม่มองเห็นใครว่าเป็นมิตรเป็นสหายตนเลยแหละแม้มิตรสหายสนิทสนมกันแท้ก็ยังฆ่ากันได้เมื่อมองมาแล้วกระทกระทั่งกันกนิดหน่อยเท่านั้นไม่ยอมให้อภัยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าตนก็พลอยได้ทําบาปทํากรรมคนอื่นก็พลอยได้รับทุกตนทรมานจากตน ผู้มึนเมาไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยของเศรษฐได้โทษเช่นสุราเมาลัยตัวนี้ยิ่งมีพิษมีโทษอย่างร้ายแรงมากทีเดียวะอะเมื่อมันเมามากๆมาแล้วฆ่าได้ตลอดมารดาบิดาเลยอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญแม้แม้แต่มารดาบิดานี่ผู้บังเกิดกล้าได้แท้ยังฆ่าได้ลงคอ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 รับรีหนีหน้าไปไหนเลยเนีเรียกว่าท้าให้พิสูจน์ได้เต็มที่แต่ต้องเคารพต่อเหตุผลนะถ้าไม่เคารพต่อเหตุผลแล้วมันก็ปฏิเสธวันยังคำ่ำหละธรรมดาคนไม่เคารพต่อเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นแม้ใครจะแนะนาตักเกือนยังไงที่แจงเหตุผลยังไงให้ฟังโดยแจมแจ้งอย่างไรก็ตามนะ มันก็ไม่ยอมรับอยู่นั่นแหละธรรมดาคนจิตแข็งกระด้างกระเดืองต่อพระพุทธธรรมประสงค์แล้วมึงก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยไม่ยอมรับรู้เอาเสียเลยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบาปเรื่องเวรต่างๆวันนี้ปฏิเสธเลยไม่มีอไม่ยอมรับรู้เลยคนผู้ประมาทมันก็เป็นอย่างนั้นเลย เพราะฉะนั้นมันจึงไปแอบาอาัดกันอยู่ในนรกนั่นเหมือนเข้าสารยัดไถ่นี่พระศาสดาทรงเปรียบไว้คนที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์นั้นมีน้อยเดียวเหมือนกับเขาวัวคนลงสู่นรกเหมือนกับขนวัว อ, อันนี้นะว่าเป็นความจริงเราสามารถที่สู่ได้ในปัจจุบันนี้แหละ คนทำชั่วนั้นมีมากกว่าคนทำดีะในโลกอันนี้นั่นเน่ยมันจะไม่ให้ไปแอาอัดกันอยู่ในนรกยังไงเล่าจะไม่ให้สวรรค์มันว่างเปล่ายัางไงล่ะเพราะว่าคนทำบุญทำกุศลทำความดีมีน้อยนี่อย่นี้แหละเพราะฉะนั้นเนี ทุกคนควรพากันเจริญปัญญาพี่เจรณาเรื่องบาปบุญคุณโทษนี้ให้เจมกระจ่างในใจยิงๆิ้งทีเดียวอย่าไปละเลยเสียอย่าไปคิดว่าเอยตนถึงคิดพี่นาเห็นได้ตนก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกคนส่วนมากมากจากอ้างอย่างนี้แหละเรียกว่า เท่าํำนองที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้นั่นนี่คือเมื่อยังเป็นไข้ลงไปแล้วรู้รรว่าตนจะตายทันทีเลยนะใครหมอเอายามาให้รับประทานก็ไม่ยอมไหนไหนมันจะตายอยู่แล้วอย่าไปกินมันเลยอย่างนี้น โรคบางอย่างเนะี่ยถ้าหากว่าไม่กินยาแล้วไม่หายตายก็ตายจริงๆเนะียโรคบางอย่างกินยาก็หายไม่กินก็หายก็มีอย่างนี้หนละตอนนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนะี่ยอันจิตใจนี่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 นั่นแหละมูลเหตุที่คนเราจะทําชั่วได้มันก็มาจากของที่ไม่เคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองก็คําสอนพระพุทธเจ้าไม่เหมือนอย่างกฎหมายบ้านเมืองของมนุษย์นี่กฎหมายนั่นเขากราวไว้แล้วอย่างนี้ผู้ดใดล่วงแล้วก็ต้องถูกเจ้าหนะ้าที่เขาผู้รักษากฎหมายนั้นเขาจับกลุ้มแล้ว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 มันมีกฎเกณฑ์อยู่เรื่องมันนะมันมีกฎเกณฑ์อยู่ในตัวเลยกฎอันนั้นก็หมายความว่ากฎแทงบุญได้บาปนั่นแหละเมื่อจิตสร้างบาปขึ้นมาใส่ตนบาปมันก็อํานวยผลให้เป็นทุกข์นี่จะว่ากฎของบาปถ้าจิตสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาใส่ตนของต น, นไม่สร้างบาปขึ้นมา อ่าบุญกุศลมันก็อำนวย อ, อำนวยผลให้เป็นสุขอ่านี่เรียวกว่ากฎของบุญนะมันก็เป็นไปอย่างนั้นแต่เมื่อผู้ใดตั้งใจละบาปให้หมดไปแล้วตั้งใจบําเพ็ญบุญกุศลบุญกุศลนี่มันเจริญศีลให้บริสุทธิ์ก็เป็นบุญกุศลบําเพ็ญสมาธิทําใจให้สงบเป็นสมาะระ ง, งับลงไป นี่วอนห้าดับไปอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลองี้ยขอมาเจริญปัญญาวิปัสนาให้เกิดขึ้นสามารถรู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงรู้แจ้งในาธาตุทั้งสีขันธ์ทั้งห้าตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราูุนี้โอ้ยวนแต่บุญกุศลอย่างสูงทั้งนั้นเลยนี่ยหะบุคคลมา จเจริญปัญญาวิปัสนาเจริญสมถะสมา ธ, ามาธิให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลให้จเจริญขึ้นให้สูงขึ้นไปโดยลาดับทีเดียวเพราะข้อปฏิบัติเหล่านี้มันทำให้เป็นบุญกุศลสูงขึ้นไปได้ถ้าจะไปย่มตอ้อกอยู่แค่รักษาศีลเท่านั้นอย่างนี้มันบุญกุศลมันจะสูงไปกว่านั้นก็ไม่ได้ เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดปัญญาสามารถละอสวรกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ถ้าไม่เจริญสมาธิในอันดับต่อไปน่นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมาเชื่อว่าศีล น, นี่แหละเป็นเครื่องป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจข้งตอน นี่ก็สมถทานมั่นในสินจริงจังลงไปแล้วต่อจากนั้นก็เจริญภาวนาสมาธิก็ไม่ควรจะไปอุ่นใจอยู่เพียงแค่สินเท่านั้นเพราะว่าสินมันก็จิต ด, ดวงนี้รักษาถ้าหากว่าปล่อยให้จิต ด, ดวงนี้เศร้าหมองอยู่ด้วยอุปกิเลตสต่างๆแล้วมันก็ไม่สามารถจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ไปได้ ในเมื่อกิเลสมันมากขึ้นแล้วมันมีกำลังมากแล้วมันก็จูงใจให้ไปทำชั่วได้เลยจูงใจให้ทำลายสินไปเสียอย่างนี้แหละในพึ่งพากันเข้าใจดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้จเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบ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 ยุ่งยากเหลือเกินการลากคีเรเตสตัญหานี่ต้องได้มีพิธีรีตองอะไรหลายอย่าง เ, เมื่อนึกถึงอย่างนี้เราก็ท้อใจเสียไม่อยากทาความดีให้สูงขึ้นไปเลยอย่างนี้ก็มีส่วนมากทีเดียวละถ้ามีพระท่านแสดงธรรมขั้นสูงขึ้นไปหน่อยอย่างเงี่ยวไม่ไหวเราไม่มีความสามารถ ที่จะปฏิบัติตามได้ท้อใจเสียก่อนเลยไอ้ผู้เข้าใจอย่างนั้นเป็นการเข้าใจไม่ถูกต้องเลย อ, อุปมาเหมือนอย่างนักศึกษาศิลปวิทยาความรู้ต่างๆอย่างนี้นะผู้ดใดมีความรู้ในขั้นใด มันก็อาศัยความรู้ในขั้นนั้นในประกอบอาชีพของตนมีความรู้ในขั้นทานาทาสวนมันก็ทาได้แต่นาแต่สวนเนี่ยทาอย่างอื่นไม่ได้มันก็ได้รับภาระอันหนักเลยทีเดียวนั่นะถ้าผูดด้ใดไม่ต้องการอยากจะทำงานหนักอย่างนี้เนะี่ย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 กุคนผู้ทำนาทำสวนนั้นไปอีกถ้าเห็นว่าทำการค้าขายนี่ก็ยุ่งยากเอ่เรียนความรู้ให้สูงขึ้นไปกว่านี้อา้าวคิดผลิตสินค้าออกขายอย่างนี้นะผูได้มีความรู้ในการผลิตสินค้าต่างๆออกมาได้ เป็นเจ้าตลอดตำราเมื่อคิดได้คน้นควได้แล้วก็ให้ลูกน้องทำลงไปตนเองก็เป็นผูจ้จะขึ้นควบคุมเท่านี้อ้าวก็มีภาระการงานก็เบาขึ้นกว่าเก่าอีก อ, อย่างนี้แหละแต่ความรู้ในทางโลกนะเมื่อผูใ้ใดเรียนรู้สูงขึ้นไปเท่าไดก็การงานก็เบาขึ้นไปเท่านั้นอย่างนี้เลย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 แต่ไม่สามารถจะลากกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้ได้ดังนั้นแหละทุกคนก็จึงต้องหันหน้าเข้ามาสู่ศีลธรรมบัอนี้เมื่อมองเห็นอย่างนั้นแล้วนะมองเห็นว่าศีลธรรมคําสอนของผู้เสด็เจ้าเท่านี้แหละที่จะสามารถปราบกิเลสตัณหาความโลภโกรดหลงอันหมักดองอยู่ในจิตใจนี้มานมานานหลายชาติ หลายชาติหลายภพแล้วให้เบาวางแล้วหมดไปสิ้นไปได้ก็โดยมาปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเท่านี้แหละเมื่อบุคคลใดมาเห็นเหตุผลอย่างนี้แล้วมันก็ยินดีพอใจในการสดับตรับฟังคำสอนของพระเจ้าจากผู้รู้ทั้งหลายนะยินดีพอใจในการดูตำหลับตำลายินดีในการท่องการจำ เอาคำสอนของพระเเทยเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อมีความรู้ในทางธรรมดีชานิชานาญดีแล้วมันก็นั่นแหละสามารถที่จะมาสอนจนิตให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาความโลภโกรหลงนี่ให้น้อยเบาบางออไปจา ก, กจิตใจเรื่อยๆไป แต่ถ้าหากว่าพูดสั้นๆแล้วก็ปัญญามาสอนให้จิตลนะอุปทานในขันธ์ทั้งห้านี่เนี่ยเมื่อละความยึดบั้นถือมานในขันธ์ห้ได้แล้วก็เท่ากับ ว, ว่าละกิเลสอื่นๆได้หมดเลยทีเดียวก็กิเลสมันจะยังเหลืออยู่ในจิตใจได้ก็เพราะใจมันยึดถือขันธ์ห้านี้ไว้อยู่เพราะกิเลสอาศัยขันธ์ห้านี้ พอมีปัญญาสอนใจละขันห้านี้ได้แล้วกิเลสก็ไม่มีที่ตั้งเลยแบบนี้มันก็ดับไปหมดเลยอเพราะฉะนั้นจึงสรุปใจความได้ว่าการที่บุคคลมาจะมาละกกิเลสให้ขาดจากสันดานเนี่ยต้องมาเพียนละขันห้านี่แหละกรงขันห้าวางขันห่านี้ลงไปอ่า ละขันห้าส่วนหยาบหยาบได้ผู้นั้นก็ปิดประตูใบภรมทั้งส<ม>ี่ไม่ทําบาปกรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละก็มองเห็นขันห้านี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาเราแล้วจะใช้มันไปทําความชั่วทําไมเ<ม>่ทํามาเพื่อใครที่นี่ความชั่วนั้นนะ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 เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำบาปใครมันก็เกลียดต่อความทุกข์ทั้งนั้นนี่ต้องการได้ความสุขอย่างเดียวเ <c oughs> นี่ยจึงว่าการโทษที่มายึดปั้นถือมั่นในขันหานี่แมมันโทษมากเอาจริงนะเพราะองค์เจ้าจึงทรงตรัสว่าทุกรวบยอดจริงๆมันก็คืออุปท า, านขันธ์ทางหานี้เอง นี่มันเป็นความจริงแท้ๆนนเพราะฉะนั้นผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาเนี่ยก็อย่าไปเพ่งพิจารณาอย่างอื่นไปก่อนคนอื่นต้องว่าเพ่งวิณาขันห้านี่เหละเพราะจิตใจมันลหลงไหลอยู่ในขันหานี้แล้วมันจึ ง, ลงหลงไหลไปในสิ่งอื่นเรื่องมันนะเมื่อค้นคว้าพิจารณาขันหานี้ให้มันแจ่มแจ้งให้มันละเอียดละออลงไป ทั้งอย่างงาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ให้มันรู้ไปตลอดเลยทั้งมีอยู่ภายในทั้งมีอยู่ภายนอกทั้งอยู่ไกลและทั้งอยู่ใกล้ทั้งยาบทั้งละเอียดทั้งสุ ข, ขุมคำพีระภาพอะไรก็ตามเนี่ยกลุวนแต่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปไม่อยู่ในบังคับบัญชางของใครเหมือนกันหมดเลยต้งพิจารณาลงไปมันเห็นแจมแจ้งอย่างนั้น มันก็จึงสามารถที่จะละกิเลสบาปประรทมน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกิจใจได้อย่างนั้นเนี่ยเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สะดับตรับฟังแล้วเพิ่งพากันมีโยนิโสมนาสิการน้อมเข้าไป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 มันก็เกิดความโลภขึ้นอยากได้รูปอันนั้นมาเชยชมอย่างนี้นะนัะ่นนะความโลภหม่คือความเพ่งเล็งเ่มันก็ส่งกระแส จ, จิตออกไปผูกพันอยู่กับรูปอันนั้นเลื้อยไปอย่างนี้น ะ, นะถ้ามาใครมาขัดขวางเข้าไปเกิดความโกรธขึ้นอ้าวประหัตประหารกันไปเนี่ย